จะฟังหรื อ, อยังเมื่อตะกี้ได้ฟังข่าวเขาทำวิจัยว่าชาวพุทธไทยเอ็นนิดาโพเขาทำนะเขาบอกว่าคนไทยพุทธเนี่ยมาวันสำคัญทางศาสนาถามว่าสำคัญอยังไรอะไรเป็นจุดเด่นของวันสำคัญอะไรเงี้ยเขาบอกว่าม่น่าตกใจตัวเลขคือ ไม่รู้เสียสองรู้เพียงหนึ่งคือมันในสามที่รู้อีกสองเปอร์เซ็นตไม่รู้ไม่รู้ว่าวันนี้สําคัญตรงไห น, นพุทธศาสนามีจุดเด่นตรงไหน น, นี่น่าเสียดายถ้ามาแล้วก็ไม่รู้อะไรกลับไปแล้วก็จะทำยังไงให้ศาสนาเนี่ยเข้าหลักเข้าเกณฑ์ที่บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลัก ที่ผู้งในการดับทุกข์ได้แต่ต้องรู้ถึงจะดับได้แต่ถ้าไม่รู้กจะเอาอะไรไปดับนะถ้าไม่รู้ดับไม่ได้ก็มาแต่เสียเวลาเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายดอกไม้ทูปเตียมทําบุญก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายเสียมากมาได้ก็เลยกลุ้มกันอยู่แล้ววันนี้ใครเสียเวลาใครเสียเวลามาแบบ ไม่ได้อะไรกลับไปเนี่ยแล้วก็ น, นึกเอาอย่างเดียวว่าได้ทำศาสนกิจได้ทำบุญแล้วอวันนี้ขอย้ำหัวใจศาสนาในมุ ม, มุมจริงจริงมีหลายมุมบางมุมเขาก็บอกว่าความไม่ยึดมัน่นถือมั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดบางมุมก็บอกอริยรสัจสี่สคัญที่สุดแต่สำหรับวันนี้เขาก็มีหลักวางไว้ให้สามเรื่องหัวใจเรื่องที่หนึ่งก็คือ ฉลาดในการละบาปไม่ใช่ฉลาดเรียนจนได้ด็อกเตอร์แต่ยังมีบาปติดตัวอยู่โยมว่าด็อกเตอร์กินเหล้ามีไหยด็อกเตอร์ขโมยทรัพย์โกงทรัพย์คอรัปชั่นมีไหโยมว่าด็อกเตอร์ยังโผแยังเมียกันมีไหมเออไปเห็นแถวไหนโยมว่าได้ด็อกเตอร์ยังพูดยาพูดเท็จปล่อเสียพระเจ้มีไหมมี่ โยมว่าด็อกเตอร์กินเหล้าเมายายังมีไหมด็อกเตอร์ฆ่ากันนีม้มีไหมมีแสดงว่าด็อกเตอร์ก็ไม่ได้ฉลาดละบาปคนจบป .4 ละบาปได้เป็นไหมมีไห ม, มไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่ฉลาดไม่ทําบาปเลยมีไหมแสดงว่าเขามีหัวใจพุทธศาสตร์ชนะไหมอือตนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยชวนทําบุญก่อนหรือชวนละบาปก่อน ข้อแรกเลยเริ่มต้นด้วยสัพพะปาปัสะอัคนังพยายามละบาปออกจากตัวรับชั่วออกจากใจถ้าใจกับตัวไม่ร่วมกันทำบาปใจกับตัวของผู้นั้นก็ปลอดภัยถ้าใจไม่คิดฆ่าใครมือก็ไม่ยิงไม่ฟันไม่แทงใครถ้าใจไม่คิดรักคิดขโมยมือไม้ก็ไม่ไปแย่งไปโกง ไม่เซ็นอะไรมั่วๆทรัพย์สินก็ออกมาเสียหายถ้ามือกับใจไม่ไปล่วงละเมิดของรักของใครไม่ไปลูกไปคาไปล่วงไปฟาักตะไลของใครมือกับใจร่วมกันลนะบาปมือและกายจิตใจของเขานั้นก็ปลอดภัยนรกไม่ถามหาแต่ถ้ามือกับใจร่างกายพร้อมกันทำบาปร่วมกันร่วมไม้ร่วมมือเขาก็ มีพัดสปอร์ตไปไหนโยมคนที่กำลังทำบาปเนี่ยกำลังทำพัสปอร์ตไปไหนไปนรกเอา้าแล้วถ้าปากกับใจของใครชอบพูดชอบทำเรื่องที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงชอบหยาบชอบเพ้เจอโยมคุยในเวลาพระเทศในบาปหรือบุญเออแล้ววันนี้จะมีใครทำบาปไหมเนี่ยตอนพระไปะยองเทพจะมีไหม มีไหมใครกล้าทำบ้างยกมืออ่ถ้าชีวิตนี้ไม่กินไม่เสพไม่ดื่มของมันเมาชีวิตเราก็ไม่เริ่มที่จะเรียกว่าไม่มีหัวใจสาปนาอยู่ในตัวเราแล้วเราจะยื้อเราจะมู่แต่บาปแต่กรรมอ่ะทีนี้ดูต่อไปนิดหนึ่งที่สองเนี่ยพยายามทำสิ่งที่ดีๆ ทำแล้วเขาชมทำแล้วเขาให้ศีลให้พรทำแล้วเขาไม่ตำมิติเตียนทำแล้วเขาไม่สาบไม่แช่งโยมตังกรรมวัดได้โดนพระแช่งหน่อยรับพรไปกี่รอบแล้ววันนี้มานั่งฟังทำต่อกันนี่อีกพระต้องขอชมหน่อยดีมั้ยวิสัยไฝรู้ดีเหลือเกินนะมีวัฒนธรรมไฝรู้สูงจังเลยนะ ถึงได้มานั่งฟังถ้าไม่มีนิสยัยใฝ่รู้ไม่มีวัฒนธรรมใฝ่รู้พระจะเทศต์ที่ไหนก็ไม่ได้สนใจที่จะไปฟังพวกนี้ก็เรียกว่าหูตามันอาภัพต่อความดีเขามีเรื่องดีๆให้ดูให้ฟังก็ไม่อยากจะดูจะฟังเขามีเรื่องดีๆชวนให้มาทำก็ไม่อยากจะทําพวกนี้ไม่มีหัวใจาศาสนาคือไม่อยากทําความดี ไม่อยากทําอะไรที่เขาชมเขาไ้่ฉิงไม่พรอนยอมเห็นเขาก่นด่าอะไรต่ออะไรกันเยอะไปหมดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรสะแสดงว่าคนในบ้านในเมืองเรานี่บาปเยอะไหมมันทําได้ยังไงขอตั้งพ่อแล้วไม่ให้มันก็ทุกพ่อตายขอคืนดีกัมเนียนมันไม่ยอมคืนมันก็ฆ่าพ่อตาไม่ยายตายโจมถ้าเรามีแฟนแล้วแฟนมันมาฆ่าพ่อแม่เราเนี่ย เราเป็นตัวต้นเหตุแย่ไหมเอมทำไมเลือกแฟนพันธุ์ไม่ดีอ่มมันไม่มีพันธุ์ดีๆ ห, <c oughs> หาแฟนไม่ดีแฟนก็มาทำไม่ดีกับพ่อกับแม่ของเราเนี่เราก็กลายเป็นกดตัวต้นเหตุให้พ่อแม่ของเราตายบ้างให้พ่อแม่เราติดคุกบ้างพ่อตาลำคาลลูกเขยเมารถทุกตีลูกสาวแกแกก็เลยยิง เนี่ยไม่ยิงมั่งฟันมั่งวันนี้ตั้งยี่สิบกแผลเนะี่ยแย่ทําแต่เรื่องไม่ดีได้ผัวไม่ดีมาก็ทําให้พ่อต้องเป็นฆาตกรได้เมียไม่ดีมาก็ทําให้แม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อน อ, อกลงว่าไอ้คนไม่ดีคนไม่ชอบทําดีๆเนี่ยย่งสุดท้ายหัวใจศาสนาอยู่ที่รู้จักทําจิตให้บริสุทธิ์ ถ้าจิตมันขุนมัวเศร้าหมองจิตมันเต็มไปด้วยความอึดอัดจิตที่ไม่ดีเนี่ยมีกี่อย่างอะอย่างที่หนึ่งจิตบ้าการบ้ากรรมลบจิตนิยมเรื่องอารมณ์ทางเพศแบบนาเกลียดนาชังต้องันมีจิตวิปลาดของคนมเมื่ชาวเขาจับได้มันชอบก่โมยกางเกงในเมื่อก่อนมันมีผู้ชายกโมยกางเกงในผู้หญิง แต่เม่เช้ายอมได้ดูข่าวว่ามันชอบขโมยกางเกงในผู้ชายแล้วก็ชอบชนิดที่ไม่เคยสักน่ะอะไรมามันออกมาดมยอมว่จิตมันดีไหมถ้าใครมีอารมณ์มีจิตแบบนี้ถือว่าสวยชะมัดเลยเราเห็นกางเกงในไม่เคยพิดสวัสอะไรเลยไอ้เนี่ยมันเห็นกางเกงในแล้วมันอยากได้เป็นดมแล้วต้องเลือกไอ้ที่ไม่สักถ้าซักมากก็รั้งมันแปลกน่ะ ขายทั้งเด็ดนะมีคนซื้อตุลาพันฑ์เนี่ยอ้แสดงว่าจิตคนยุคนี้มันเป็นไงโยมอย่าว่ามันจิตวิปลาภนะยเนี่ยจิตที่หมกมุ่นในการมาลมจะเกิดหรหวงเกิดความรู้สึกปิดอัดถ้าคนรักไม่มาตามใจที่เราปรารถนาหรือมีใครมาแย่งหรือเขาปันใจออกห่างจิตแบบนี้เป็นจิตที่เป็นธาของกิเลส พระพุทธศาสนาจึงมีสอนเรื่องจิตบริสุทธิ์ทำจิตให้ขาวรอบถ้าจิตคุณนัวอยู่ในเรื่องรักเรื่องใครเรื่องว่าไฟตาเรื่องกรร ม, มารมณ์ก็ถือว่าจิตนั้นเสียสภาพความสะอาดบริสุทธิ์แล้วถ้าจิตนั้นมันหมกมุ่นอยู่ในเรื่องพยาบาทอาฆาตมาร้ายอิจฉาจิงชัง จิตเกียดจิตโกรธจิตอิจฉาจิตลิษยาจิตอาฆาตจิตพยาบาทจิตนี้สภาพแย่พุทธศาสนาจึงสอนว่าจิตบริสุทธิ์เป็นข้อสําหรับพุทธศาสนานี่ศาสนาอื่นทําไม่ยากมีไรยากของเราเนี่ยข้อนี้ถือว่าเป็นสุดยอดจิตไม่หมกมุ่นจิตไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่เกลียดชัง จิตเกลียดชังนีนเป็นจิต ท, ที่ขุณหัวมากเขานอนหลับแล้วยังนอนชังนอนแข็งเขาเนี่ยเขาหลับสบายไปแล้วเรายังลุกอยู่เลยแต่เจอกูจะตกไปพันกูเจอกูจะคายตายเลยถ้าอย่างเนี้ยจิตขุ่นวัวจิตเศร้าหมองสามจิตขดผูจิตเงาเขานอนซึนมเศร้าจิต ไ, ไม่เบิกบานไม่เลงล่าแต่ เต <that fulfil improving my hand> <that> ็มไปด้ความซึมเศร้าง <that> <have heart> ่วงเหงาหงานอนเขาฟังเทศกันแจ่มใสกูจะหลับทาเีวไม่ปบานเลยันั่นกังวลนี้ถ้าเงานวันนี้กูเกิดหลับไม่ตื่นทมเอออจิตถูกีนิะคือซึมเศร้างงเหงานอน จิตไม่ตื่นไม่เบิกบานจิตจะหลับตะพื้นไปนึกกอง่วงลุ้มซเศ้าเขาอยากหลับใครก็ตื่นตัวเบิกบานกันไม่ไหวจริ ง, จ, รงจิตมันดีจะหลับมันรับอะไรไม่ติดแล้วมันดีมันจะหลั บ, ม, ล ม, ลลบมันจะดับมันก็เลยกลายเป็นจิตที่ไม่เฉื่อใส่แต่คนที่เขานิสัยดีอยากรู้อยากฟังเทศฟังธรรมสมัยก่อนเขาเทศมหาชาติกันเนี่ย สิบปัจจันก็ยังฟังกันโดยจำจัใในใจไ ม, ม่ม่วงปนนมุเตออีวันนี้อุตส่าห์ติดแอร์ฟอกพัดล ม, มใครยังหลับก็อยากจะปิดดับพวกนี้หมดปโยมที่สีจิตแหน่ฟุ้งซ่านนั่งตรงนีน้ใจก็ไปอดีตตั่งอนาคตนั่งจิตไม่อยู่กันเลยกัะตัวฟุ้งซ่านไม่สงบ มีอารมณ์ไปน้อมอดีตอนาคตนึกแต่เรื่องวุ่นวายนึกแต่เรื่องไม่สบายอกไม่สบายใจนึกแต่เรื่องทำให้ใจเต็มไปได้วยความฟุงซ่าเนี่ยเขาเรียกว่าจิตไม่บริสุทธิ์ข้อที่สสภาพจิตที่ไม่บริสุทธิ์ข้อที่ 4. คือมันออกอาการฟุง้งซ่านส่วนข้อที่5ชอบลังเลชอบสงสัยจะมาวัดนี้ก็นั่งสงสัย จะไปดีไม่ไปดีต้องอัะเช้ากว่าจะตัดสินใจได้เดินไปตั้งสามสี่ตลบบางคนนี่มาถึงแล้วยังนั่งสงสัยกูจะทำบุญเท่าไหร่สงสัยเขาบอกทำ ม, มากได้มากทำน้อยได้น้องแต่กูมีมาติดเดียวอะไรก็นัน่งสงสัยมาตลอดอย่างนี้ก็จิตไม่เป็นสุดจิตไม่บริสุทธ อย่ามาสงสัยลังเลอะไรมากมายเลยเออบางคนสงสัยวัดนี้เป็นเหมือนวัดนึงเปล่าวะมีปัญหาเหมือนวัดนั้นไหมนั่งสงสัยไปเรืเ่อยๆนี่ไม่ยอมอีกองที่เทศเนี่ยยังบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าะวะสงสัยถ้าสงสัยมากๆฟังเทศจะแจ่มแจ้งเข้าใจไหม ต้องหยุดความสงสัยตั้งใจฟังเนื้อหาหดีก่อนถ้าสงสัยตอนนี้ไม่ได้เรื่องแล้วจิตมันไม่มีสภาพพร้อมที่จะรับเพราะฉะนั้นเขามีคำกล่าวว่าจองทาใจให้เหมือนภาชนะทองรองรับพระธรรมคําเทศแบบทานองเก่าๆจงทาใจให้เหมือนภาชนะทองรองรับพระธรรมถ้าใจเหมือนภาชนะสกป ร, รก มันจะรองรับอะไรได้ดีอ่ะคุณมัวเศร้ามองหดหูฟุ้งซ่านสงสัยวุ่นวายไปหมดจิตไม่อยู่ในสภาพขาวรอก บ, บริสุทธิ์ซึ่งเป็นหัวใจพุทธศาสนาคนบางคนเนี่ยสภาพจิตดีมากไม่เคยเป็นโรคจิตโรคประสาทไม่เคยมีคำว่าเครียดไม่มีอารมณ์จิตที่เครียดไม่มีอารมณ์เศร้ามองคุณมัว อิจฉาลิยาโกรธเคืองเคียดแค้นไม่ปล่อยให้มาวุ่วนวุ่นวันน่นรู้ย่ในกิจใจไปหมดบางคนเนี่ยอานาเลวคิว้วโอ้โอหมวดยมไหนเราทำคิ้วกรหมดทิเมเอคิ้วจ ะ, จะเก็ดติดกันเนี่ยก็แย่ไหนเราทำหนา้าตามเบิก บ, บานทียิ้มหน่อยทม ถ้าหน้าตาเบิกบานยิ้มย่องผ่องใสจิตใจโลนล่าขาวบริสุทธิ์ธรรมะหรือความบรีบปามงามก็จะผุดเกิดขึ้นได้เอาตอนนี้มันมีขั้นตอนอย่างนี้ถ้าคนเราเนี่ยเรื่องของสาสนิกระชนที่ยังไม่เข้าใจยังมีอีกสักเรื่องหนึ่งที่ควรจะทำต่อไปก็คือเรื่องบาปเนี่ยบาปท่าเรียกว่าเป็นอะไรโยม บาปมันเป็นของแข็งมันหินเป็นก้อนสําเร็จรูปหรือมันเป็นของปรุงแต่งโยมมีอารมณ์รู้คิดรู้ตอบรู้ทีออ่พระเทพดูข้างดีขึ้น่บาปเนี่ยมันเป็นแท่งสําเร็จรูปหรือมันเป็นของปรุงแต่งใช่ท่านจะเรียกว่าบาปเป็นสังขารสังขารแปลว่าของปรุงแต่ง สังขานร่างกายเราแต่ละคนเนี่ยมีอะไรปรุงแต่งบ้างล่ะที่ยังอยู่ได้เดินได้มีลมปรุงแต่งดึงลม้ายใจเข้าปล่อยลมหายใจออกเนี่ยก็ก็เรียกว่าทับลมปรุงแต่งมันมีดินน้ำลมไฟปรุงแต่งยมมีความร้รอนอยู่ในร่างกายไหมเลือดคนเนย็นเย็นหรืออุ่นเลือดโจกออกมาใหม่ๆเนี่ยจะอุ่นร้อนเนี่ย แล้วกระดูกพวกนี้เป็นธาตุดินแต่ในกระดูกก็มีทั้งน้ําดินแล้วก็ลมยมว่าในกระดูกมันมีช่องเล็กๆให้ลมอยู่ในนั้นไหมนี่นะไปสังเกตมันจะเป็นรูๆๆให้ลมอยู่ในนั้นได้ด้วยเนื่องจึงมีครบอะอยู่ทุกธาตแล้วก็มาปรุงแต่งกันถ้าธาตุไหนแรงเกินเหตุเช่นตัวร้อนใครขึ้นร้อนมากๆ ม, มีสิท ดับได้เย็นเนื้อตัวเย็นคนตายตายในตัวเย็นไหมไปแตะใหมๆ่ๆเย็นแสดงว่าธาตุไม่ปรุงแตง่งธาตุเล่มฝักเล็กไฟธาตุแตกเปลนะี่ยพอไฟธาตุแตกสังขารก็แต่สังขารในความหมายว่าบาปเนี่ยมันอะไรมันช่วยปรุงแต่งมั้ถึงบาปมันทําไมมีบาปมากระทําสําเร็จบาปแล้มบาปสําเร็จแล้วมันเป็นยังไงต่อ เอางี้นะสิ่งที่ปูให้บาปเกิดขึ้นมากที่สุดคืออวิชชาธนาอุปาทานสามตัวเนี่ยเป็นหัวขบวนลากจูงเราเข้าสู่การกระทําปรุงแต่งให้เรากระทาบาปถนัดที่จะทําบาปให้ยุ่งยากไปตามแบบของบาปหรือความชั่วบาปเป็นสังขารปรุงแต่งไปให้ยุ่งยากตามแบบของบาปและความชั่วถ้า อวิชาความไม่รู้ก็คิดว่าทําอย่างนี้จะดีอย่างนั้นดีอย่างนู้นย่อมว่าคนเจรามันจะฆ่าเขาเนี่ยมันคิดว่ามันทําดีไหมฮะย่อมว่ามันปรุงว่ามันกำลังทําดีไหมไม่อย่างนั้นมันจะฆ่าทีนี้ต้องสีส่ศพห้าศพอะที่อครศรีธรรมราชฆนะ่าสี่อีศพถ้าตอนหลังเนี่ยตำรวจเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ทําให้เกิดปรุงแต่งการฆ่ากันมากที่สุดง่ายที่สุด คืออาวุธอาวุธก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมอวิชชาเสริมความไม่รู้จึงเอามาใช้ก่อคดีปรุงให้กลายเป็นบาปต้องฆ่ามันถ้ามันยังอยู่เราจะไม่มีความสุขต้องฆ่ามันก็ปรงไปด้วยอวิชชาแล้วก็อยากทำให้เขาตายแล้วก็ยึดมั่นว่าตัวเองถ้าทามันไม่ตายเราไม่ใช่ลูกคิดไปโน่นนะ เม้นคนนี้มันบอกถ้าขวางมึงไม่ตายกูไม่ใช่ลูกผู้ชายเออยมว่าผัวที่มันฆ่าเมียมันคิดแบบนี้ไหมถ้ากูทำมึงไม่ตายกูไม่ใช่ลูกผู้ชายส่วนผู้หญิงล่ะกูก็ลูกผู้หญิงนักสู้มือมีมีดมีไม้อยู่ในมือมึงก็ต้องทิ้งมีเมียฆ่าผัวมีไหมอือนแหละสามตัวบงการตัวความรู้ผิดตัวอยาก อะไรสักอย่างแล้วมันไม่สมอยากไอ้นี่มาขัดคอก็เลยต้องข่าเนี่ไม่รู้อยากแล้วยึดชิ้นเมื่อสองวันเนี้มันยึดว่ามันเลือกไปแล้วนะมันก็ไปอยู่มันมีเมียใหม่แล้วนะมันเห็นเนี่ยมันเป็นทุกปลัดอำเภอแล้อหละที่มันยิงกันในห้างเซเว่นน่ะเป็นข้าราชการนะมันเลิกกันแล้วมันก็ไม่มีใหม่ไอ้ทั้งนี้ก็จะมีใหม่ แต่ทานไฟเก่ายังยึกว่าคนนี้เป็นของแล้วมึงเป็นใครมายุ่งของงั้นกูก็ต้องฆ้ามึงเนไปฟังเทปจุดกูมึงมันฟังยังโอ้โตาไม่ทําสมัยม่แล้วออกมาแล้วกูมึงมันไอ้กูมึงมันเนี่ยมันปรุงมาจากอะไรจากเอาวิชาจากความยึดมั่นถึงมัน่นจากความอยากโอ้ อยากให้กูเป็นองนั้นอยากให้กูดีอย่างนี้อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากซะ จ, จนกระทั่งตัวเองยุ่งยากไปตามแบบของปรุงแต่งให้บันบาปนี่ยังพนตํารวจโทรคนนั้นอะ่ะทำไมารู้สึกเป็นื่อยนะทําไมเดี๋ยวเขาออกลู้สุริยมด้วยเลยเดี๋ยวก็พาไปสอบใหม่เดี๋ยวก็พาไปสอบใหม่เ ด, หมเดี๋ยวก็แจ้งอีกสองปีเดี๋ยวก็อีกห้าปีตอนนี้รวมไปรวมมาสาสิบปีแหละแต่คดียังไม่หมดนะ เองก็ปรงกันไปรับอีกโยมเขจะได้ออกจากกรุ๊ปนะเนี่ยอายุปานน่านเนื้อเน้อความปรแต่งให้เขาอยากมีอยากได้เยอะเยอะตนที่สุดไอ้ของที่เขาได้เยอะเยอะก็ถูกยึดอามตาะมูสองหมื่นชิน้นยวมแล้ววันนั้นได้ตั้งทันกว่าล้า น, นไอ้คนพอได้ยินว่าเขาประเมินของเก่าๆของดีๆเป็นกรโปุกไหม กูน่าจะมีไว้ทักชิ้นนึแล้วก็ต้องไปหามาสะสมมาปรุงแต่งพอได้ของพวกนี้มาราคาแพงโยมว่าไอ้แบบนี้มันปรุงแต่งแบบวุ่นวายยุ่งยากรือสบายสนบเมื่อเช้าได้พูดไว้คำได้ยินนะบ่บคนทำมาหากินก็เพื่อหาสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตมาให้ชีวิตพออยู่ต่อไปสิ่งที่ทำให้ชีวิตอยู่ต่อไปได้เขาเรียก ใจสี่คือปัจจัยสี่แปลว่าสิ่งที่ชีวิตต้องอาศัยสี่อย่างอาหารเสื้อผ้าบ้านยารักษาโรคแต่เดี๋ยวนี้คนทำงานเนหนื่อยเพิ่มขึ้นหา ม, มากขึ้นเพราะอะไรเพราะขยายสิ่งที่ชีวิตจำเป็นต้องอาศัยมากขึ้นไปขยายความต้องการแก่ชีวิตบ้านก็ อ, อยากบ้านใหญ่หลังเก่า จนเดี๋ยวนี้สมน้ำหน้าใครเกือบ้านใหญ่เขาจะเก็บภาษีเลยสองล้านไปทีแรกทะลุนี้กูปลูกเล็กๆก็ดีเกือุตริพระเล็กๆหลอดไปไม่องถูกเก็บน <c oughs> หลังละสองแสนเขาเก็บหลังละสองล้านองค์พระไม่ต้องถูกเก็บภาษีเพราะมันอยากใหญ่อยากโตปลูกบ้านแข่งกฐเทวดา ยนีอยากกินอะไรก็กินสะเกินกินบ้ากินล่ยมดูมาจะกินอะไรทาไมต้องมองตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้ญี่ปุ่นอะไรที่มันทำพิสดานผู้หญิงมันเปืยกายแล้วก็อาหวาวาตั้งแต่ตลอดไปยันตรงนั้นตรน่ะแล้วคนก็จะเลือกไปตักกินก็ตรงนั้นเ <c oughs> ยอมันกินอาหารไม่กินเหยือ่อแล้วก็บอก มันนอนให้เอาของตั้งวานเนี่ยมันคิดเท่าไหร่สองชั่วโมงมันคิดสองพันห้าแล้วสองพันนอนในก็าตัดของจริงมันเนื้อบันหนังมันเนี่ยที่พัทยาอันนี้เขาจะห้ามได้ล่ละถ้าดูที่ความคิดของคนมันปรุงแต่งเมื่อกนเขาใช้ถ้วยใช้จานเดีย๋ยวนี้มันใช้เนื้อหนังเป็นจานรินอย่างนี้เขาเรียกทางภาษาศาสตร์นะว่าปรุงแต่งที่จริงเรื่องกินเนี่ยมันไม่ต้องปรุงแต่งมาก แต่เ น, นี้มันปรุงแต่งเป็นกินเหยื่อไม่ใช่กินอาหารโอ้ยไอ้น้ำจิ้มบาบอเลยเดี๋ยวนี้ย ม, มนุม่มยอมเนี่ยเคยต่อว่าแตมาท่านจิ้มผิดแล้วนะมันจิ้มนี้มันต้องจิ้มนี้ไอ้นี้ต้องจิ้มอันนี้ยุคนี้มันเป็นยุควัฒนธรรมน้ำจิ้มมันปรุงแต่งทำน้ำจิ้มกันหลายยี่ห้หอหลายขนาดหลายสูตรจนพระมันจิ้มผิดสูดมันนี่นี กิ้มไก่น้ำจิ้มปลาน้ำ้เยอะแ ย, ยะไปหมดน้ำพริกเดี๋ยวนี้ก็อันไรอย่างนะเมื่อก่อนมีน้ำพริกกะปิอย่างเดียวทํางั้นตอนเล็กๆนะก็าทาน้ำพริกกะปิอย่างนี้มันน้ำพริกอะไรกุไม่ร้เยอะแยะไปหมดจนจนว่าเขาไม่เป็นนะเราตอกนุ่มตร ง, มตม ง, ตรงมไม่เป็นเดีย๋ยวนี้เขาไปเรียนท่ากรรมศาสตร์นั่งตรงแต่งของกินกันโบราณท่านพูดท่านสอนไว้ไง ถึงกินดีกินแล้วขี้ไม่มีเหลือถึงแต่งดีเสื้อผ้าแพงก็แค่ปกปิดเนื้อร่างกายผีถึงอยู่ดีบ้านใหญ่โตโอ้อาก็แค่กันแดดฝนทั้งจนดีเจ็บไข้าตายก็ดีหมดปัญหาทยามันแพงนี่บุต่านเขาเขาส ก, กัดการปรุงแต่งแต่เรามไม่มีการส ก, กัดการปรุงแต่งเราก็เลยนั่งปรุงแต่ง ปรุงไปปรุงมาถูกชกเวลาไปอยู่กับการปรุงเวลาชีวิตควรจะพัฒนาให้เป็นชีวิตดีชีวิตงามก็ต้องมาเสียเวลาเวลาไปกับการปรุงแต่งเดี๋ยวนี้แฟชั่นนิยมมันคิดมันออกแบบกันหน้าดูไหมแล้วมันชอบคิดให้เราดูแล้วปรุงแต่งต่อไหมมันแหวง่งมันผ่ามันว่าวแล้วคนเห็นแล้วปรุงต่อไหมปรุงยังไง น้าเลยอะไรเงี้ยโยมันปุงกันหน้าดูเนะกันเกงก็แปลกมันปรุงไปปุงมาเมื่อดีๆมันทํำมาขาดแหว่งแหว่งอ<ม>ไอ้กันเกงที่ขาดขาดแหว่งแหว่งนี่มันคว า, ามปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งมันปรุงแต่งมากกว่าคนยุคก่อนหรือเปล่าคน<ม>สมัยนั้นก็มีเนี่ยใส่อย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใส่อย่างนี้เขาไม่สนใจใส่อย่างงี้เขาไม่ปรุงเราแล้วเราไม่ได้อร่อย มันก็ต้องใส่ให้อร่อยหูอร่อยตาโอ้โหแตมา่นั่งรถลดดําคาในรถบ้าอะไรที่มันไปปรุงแต่งลาโพองอนะ่ะมันแต่งลาโพงนะ ม, ม, ม, มัน่ะบบรถเราก็ทวนเลอยู่ิกระจไว้อย่ากัทกันเลยมันปรุงแต่งเขาเรียกแต่งรถแต่งอะไรก็ลำว่ากันลยลำโพงจบมาวัดเนี่ยมันยุดการปรุงแต่งบด้ไหม ใส่ชุดขาวๆเนี่ยมันปรุงแต่งอะไรมากไหม อ, อ่าแม่ยายคนนี้เนพาไป็นโรงแรมองไหม เ, ออเนี่ยมาวัดมันทําให้สกัดการปรุงแต่งคือสกัดความวุ่นวยเพราะตัวสังขารแปลว่าการปรุงแต่งแบบบาปแบบวิ่นวายแบบชั่วแบบต้องถูกตําหนิแบบต้องถูกสาปแช่งเนี่ยโยมไม่อยู่นีเด็กมันม่ ขามาวัดน้าแช่งอามาเนี่ยมันมาทำบุญนะให้พรไปกับหมดอยาจะสลับแช่นไปให้พรมันก็มาทำให้พระปรุงแต่งเนื้อมันอะไรแทบจะไม่ปิดก้นมิดเลยนี่ยมันปรุงแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยการปรุงแต่งให้กิเลสมันยืดมันลอกแทนที่จะสงบแทนที่จะไม่วุ่นวายแต่งให้มันวุ่นวาย ปรุงให้มันหุ่นวายให้มันมากเรื่องมากเล่วปัญหาเยอะเ อ, าอ้าโยมนันเสื่อผาอาพรบ้างยารักษาโรคเดีย๋ยนยารักษาโรคนี้โอ้โหมันปรุงกันเป็นยาบำรุงอย่างงั้นยาบำรุงอย่างนี้กี่ยี่ห้อยี่ห้อบำรุงบา้างบำรุงไปก็ตายเรียบโยบว่าจะตายนี่มันหมดยาข้าม บ, บำรุงกันเยอะไหมที่บอกว่าทำมาหากินสิบ ป, ปี ป่วยปีเดียทั้งหมอทั้งยาไปเรียบคนโบราณก็บอกเจ็บไข้ตายก็ดีหมดปัญหาทายามันแพงเดี๋ยวนี้บอกว่าไม่มีปัญหาโรงพยาบาลแพงกูก็มีเงินสู้แต่ผลที่สุดอยู่โรงพยาบาลสามเดือนตายเนี่ยหมดเป็นล้านนีไม่ยมอมไอโรงพยาบาลเอกชนที่แพงแพงหมดเป็นล้านเลยแทนจะให้ลูกหลานสมบุรณ์ไว้ใช้เรียนไว้ทำอะไรยอมไหนใครมั่นใจว่า แต่เราจะไม่ผ่านซับอู้นี่มันใจนะจะไม่ให้เขาส่งโรงพยาบาลนะนะตายลงลงอยู่ที่บ้านเนาะที่วัดเนี่ยอย่าไปตายโรงพยาบาลมันก็เสียบโน่นเสียบนี่ก็ตายขาดเสียบอิกบุนวายเอา้าตอนนายนิดนึงบุญมันก็ปรุงแต่งไปตามแบบบุญให้มันยุ่งไปตามแบบบุญหรือแบบที่ดีนี่แหละ ดีเนี่ยมันก็ปรงแต่งให้ยุ่ได้เหมือนกันแบบดีๆจึงมีคนเป็นอันมากที่บาดีเมาดีหลงดีบาบุญเมาบุญหลงบุญบาสุกเมาสุกหลงความสุขมันจึงไม่ถูกมันจึงไม่พอกันที่จะทำให้จะอยู่ได้เป็นสุขมก็ต้องอยู่เหนือขึ้นมาจากนี้ เหนือความบ้านดีเหนือความบ้าสุขเหนือความบ้าบุญหลงบุญเมาบุญเนี่ยชมพระพุทธเจ้าสอนขั้นที่สามถ้ามีสองข้อนี้ยอมว่ายุ่งไหมให้เราละชั่วกระทําดีแล้วไม่บอกว่าให้เราอยู่เหนือพวกนี้เนี่ยยุ่งไหมชมว่าบางสํานักเนี่ยเขาพอใจสอนโยมให้ทําแต่บุญแล้วตอนนี้เรื่องบุญกําลังยุ่งไหมเพราะบางวัดเริ่มขายบุญกันแล้วใช่ไหม บางวัดเรื่รอนกู้เลืนสหกรณ์มาทําบุญขึ้นแล้วยังนี่มันบ้าบุญเลยเนี่ยหลงบุญไหมเมาบุญไหมบุญแบบนี้ยุ่งหรือสงบอยู่เพราะนั้นพุทธเจ้าจึงมีอีกครั้นศาสนาอื่นเนท่าพุทธตามจริงแล้วนะเขาจะสอนแค่ทําบุญละบาปละบาปทําบุญแต่เขาไม่ได้สอนเรื่องจิต บ, บริสุทธิ์ข่าวรอบเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราจึงต้องกันเยอะ ให้เลยจากสองคำแรกๆละชั่วทำดีแต่ทั้งชั่วทั้งดีถ้าหลงมันบ้ามันหลงมันมตายปไปแล้วเคยได้ฟังคํานี้แล้วใช่ไหมบ้าดีหลงดีเมาดีแล้วก็ดีดสัน้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะทําดีก็ต้องไม่หลงดีจะทําบุญก็ต้องไม่หลงบุญบ้าบุญเมาบุญถ้าจะหาความสุขบ้างก็ต้องไม่มีความสุขที่บ้าสุขหลงสุขผู้ถึงสุขเมื่วาน ที่ตำรวจเขาบุกบอลเตาปูลนะ่ะแล้วเขายึดทําสถานีตํำรวจในนั้นเลยตอนนี้ใครมั้นเป็นคนวางแผนนย่างดีมากเมื่อก่อนเข้ากี่รอบกี่รอบมันก็มีต้นทางดูเขาวฝังสถานีตารวจมันไว้ในนั้นเลยมันดูตำดํำรวจตำรวจ ด, ดูมันนะเขาเนี่ยสนุกและโยมแต่คนที่อยู่ในเขตเต่าปูลนะ่ะมันพูดว่าไงให้่มามาจับหรอไว้เล่นสนุกสนุก พอหาความสุขเล็กเน้อ้อยเนีน่น ว, นนว่าเอาไว้พอหาความสุขเล็กๆล็น้อยนอยแต่พุทธเจ้าบอกว่าอบัยามุขข้อการพันันเนี่ยโบราณเขากาล่าวเปรียบเทียบโจรปล้นสิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านเพียงครั้งเดียวไฟไหม้บ้านสิบครั้งไม่เท่ากับผีการพันันเผาผลาญสิ่งอยู่นในใจเพราะมัน ขายทั้งบ้านทั้งที่ดินไฟไหมเนี่ยที่ดินยังอยู่ไหมเสาใต้ดินยังกดมาทําตียงได้ไหมนี่ตกลงว่ามันสุกเล็กน้อยหรือเปล่าย้อนไปดูที่รัสเวกัตไอ้พวกเศรษฐีที่ไปเล่นการพนันแล้วเสียการพ น, นันอ่ะมันฆ่าตัวตายโดดตึกตายปีนไหลศพตอนอาตมาไปเทศที่รัสเวกัตคนไทยไปเสพน้ำชาเขาเล่าให้ฟังเศรษฐีอินเดียเศรษฐีฝลังเศรษฐีอะไรไปตายที่นั่นอ่ะเพราะหมดตัวเนี่ย หมดพันลนนะเป็นหมดพันล้านไม่กลับบ้านโดดตึกตายแล้วถามว่ามันสุกเล็กน้อยเนี่ยไอ้พวกบ้าสุกหลงสุกหาสุขไม่ถูกเรื่องพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าต้องสุขที่เขาลอบสุขที่ไม่กลับมาทุกข์หรืออย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าสุกต้องเป็นสุขขอไขสะกดไม่ใช่สุกขอไขสะกิดสุกไม่สุกเกลียงสุกปิ้งสุกเผาเนี่ยอะไรสะกดสุกเย็นสุขสะอาดสุขสงบอะไรสะกด เออใช่แล้วมานั่งฟังเทศวันนี้สุกไอสกดเออมาขอพระฟังเทศเนาะขอไข่อ่ะตอนนี้โยมมาดูนะไม่แน่เชื่อว่าท่านวิเคราะห์เอาไว้ถึงขนาดว่าพวกบ้าบุญหลงบุญมาบุญเนี่ยบางทีจะเกิดความวุ่นวายไม่แพ้กับพวกบาปแต่ตอนนี้ตมามเมื่อก่อนนี้ฟังก็เฉย เยวนี้เช็คเรื่องเห็นในเรื่องเอาเ ง, งสกรมาทําบุญแล้วหลอกบุญขายบุญอะไรกันมุ่นอยไปหมดเนี้ยแล้วเดี๋นี้มีการตั้งบุญแล้วอยอมได้ยินข่าวอย่างที่ละนองปิดถนนบินทบาทนะ่ะชาวบ้านตาเนยเลยฉีกอะกันปลายเปลือกต้องประชุมตำรวจตำรวจต้องย้ายไปทําอีกที่หนึ่งบุญต้องย้ายเลยเรืองนี้ย่อมตรงนี้ถ้าฝนไม่ตกต้องย้ายไหมไม่อยอม ฟังกันยันจบน่ะบุญแบบนี้มันเป็นบุญที่เราไม่ได้บ้าทำอะไรกันใหญ่โตเกินไปแต่มาคิดว่าคนมาฟังเทศเราสักร้อยสองรอยนี่ก็พอแล้วแต่ทีนึงเขาต้องเอาเป็นล้านแล้วใส่บาทเนี่ยชาวบ้านกับปัญญาอ่อนเขาชวนทำบุญตักบาทพระล้านกลุ่มยอมว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าทำได้มันวุ่นวายไหม นั่นบุญแบบนี้ปรุงเป็นบุญไปยิ่งใหญ่บ้าบุญใหญ่เนี่ยมันเป็นบุญแบบวุ่นวายและบุญแบบสนบนะบุญท้าปุงแต่งมันใหญ่เกินนะมันไม่รู้คําว่าพอประมาณไม่สายกลางเนี่ยมันแย่ไหยพระพุทธเจ้าจึงล็อกให้เป็นเข้าทางสายกลางเดี๋ย่นี้เขายุให้ทาเยอะทําบุญมากได้มากทำบุญเยอะไลยเยอะทําหมดตัวเลยรวยใหญ่เลยไอ้แบบนี้มันสอนบ้าบานเลยนะ สอนให้คนบ้าบุญหลงบุญเหมาบุญก็มันก็มีคนบ้าตามไปด้วยนะจนหมดเนื้อหมดตัวกันเลยก็มีจนพระรูปหนึ่งท่านทนไม่ไหวเพท่านเน่ยเคยไปวางแนวให้แล้วผลที่สุดญาติท่านหมดเนื้อหมดตัวมีเงินตั้งสองสาร้อยล้านหมดใบกระวัดเนี่ยท่านเลยบอกอา่าวน่า ก, กลัวเราแย่แล้วบาปแย่แล้ว ที่หลวงพ่อจัลันท่านได้นั่งพัดให้หลวงพ่อสด ก, กับท่านเจ้าคุณโฉดดกมหาเถระวัดมหาธาตุท่านนั่งสนทนากันแล้วท่านบอกท่านเป็นพยานว่าเป็นเรื่องจริงเด็กโยมเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเลยคือหลวงพศดท่านบอกว่าท่านเป็นขี้ข้า หลงง้อตั้งหลายปีที่ทำวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยไปหลงเป็นเขาเรียกวิปัสโูอุปกิเลสวิปัสโมกุปกิเลสเกะไงมันเหมือนเป็นนิมิตที่มันลวงให้นึกว่าบรรลุแล้วให้นึกว่าตัวเองเนี่ยถึงขั้นแล้วได้สิ่งที่สูงสุดแล้วเนี่ยภาษาธรรมะเขาเรียกอีกขั้นเาเรียกโอภาษ ต้องมีชื่ออีกว่าเช่นปฐมมัจมโนมยิทธิข้อที่หนึ่งอุปกิเลสเนี่ยมันลวงนะมันลวงหลวงพอสดปฏิบัติสี่สิบสามปีท่านเจ้าคุณโชดกวัดมหาธาตุมาสอบอารมณ์ยกระดับจิตโดยกำหนดวิจารณาเห็นหนอเห็นหนอถึงกับอุทานว่าเรานี้เป็นขี้ข่ามาสี่สิบกว่าปี อีอุทานหงพสดนเหล่านี้เป็นที่ข่ามาสี่สิบกว่าปีแล้วก็ยกระดับจิตขึ้นสู่ระดับสองเป็นวิปัสนาญาณแล้วเจริญจิตขึ้นโดยลำดับจนถึงขั้นอุเบกขาในอุปกิเลสสิบหลวงพ่อจาลันท่านเล่าท่านยืนยันว่าท่านนั่งสนทนากับหลวงพ่อสดเอง หลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อสดท่านก็มานั่งเจริญสติอาตมาเองเนะ่เป็นคนพัดให้ท่านตอนนั้นท่านเจ้าคุณอุดมวิชาญาเทระก็ไปสอบอารมณ์ให้ที่วัดปากน้ำทุกวันอาตมายังตามไปที่นี่ที่ขอยืนยันเป็นพยานด้วยเลยผลสุดท้ายก็มาฟังฟังเทศลำดับญาณ ที่วัดมหาธาตุแล้วหนักเข้าหลวงพ่อวัดปักน้ําพูดกับอาตมาเองว่านี่เป็นพยานหลักฐานนี่เธอตอนนั้นพอรอเจรันเนี่ยอายุท่านยังน้อยอยู่นี่เธอเหมื้เราเนี่ยมาเป็นขี้ข่าเขามาตั้งหลายปีพอจะรู้แลวว่าเนี่ยโอ้โหเป็นขี้ข่านานจังแล้วเราก็บอกว่าพระเอกประคุณลพ่อครับหลวพ่อกาหนดยังไงล่ะครับ ธรรมกายหล่งพ่อเธอนี่ยหนดนิดเดียวเหลือกินเลยแค่บอกว่าเห็นหนอเห็นหนอธรรมกายก็หายวับรูปพระพุทธเจ้ามาปรากฏแล้วก็บอยกรรมว่าเห็นหนอเห็นหนอพระพุทธเจ้าก็หายวับพระธรรมกาหนดพระธรร ม, มาปรากฏเห็นแสงสว่างะ้รทมใจสว่างนี่พระพัดสอนผ่องใสหลุดพ้น แล้วเข้าพุทธสมาบัติได้ยี่บสี่ชั่วโมงหลังจากนั้นอาตมาขอยืนยันนี่คื อ, อจริงอาตมาขอยืนยันว่าหลวงพ่อวัดปากน้ําได้มิโลสะมาบัติได้เจ็ดวันแน่นอนที่สุดแล้วหลังจากนั้นท่านก็เกิดอาพาธถึงแก่มรณะภาพาเสียนี้ขอเจริญพร อ, อย่างนี้มี่ที่หนึ่งหลวงพอ่พอวัดปากน้ำพระศเนี่ยท่านบอกว่า เราเนี่ยเสดายจังเลยยังไม่ทันจะบอกลูกศิษย์ว่าหลวงพ่อกี่ขาหลงทางให้ลูกศิษย์ ต, ติเดเทเบอร์ไปกลับไม่ได้แต่หลวงพ่ออนะกลับได้แล้วตัวหลวงพ่อสดลอดแต่ลูกศิษย์ที่เป็นวิชาธรรมกายเนี่ยหลวงพ่อจะลันยืนยันถ้าวิชาธรรมกายเนี่ยไม่เพี้ยนไปจากหนักที่หลวงพ่อท่านกลับจากพระคุณโฉดกให้ได้เนี่ยธรรมกายจะไม่ง้เงินขนาดนี้ จะไม่หวังลาบสกาละขนาดนี้จะไม่ขายบุญขนาดนี้จะไม่ตั้งสหกรณ์ให้เงินยืนกู้ทำบุญขนาดนี้นี่ชัดมากเลยแต่เรื่องเนี้เขาพยายาม ป, ปิดกันไม่ถามหลวงพ่อจรันได้วัดอัมพวันท่านยืนยันเอ๋โยมเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เราชื่นชอบเนี่ยไปกันเยอะเนี่ย จะเป็นเรื่องถูกต้องดีงามเสมอไปพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าในกาลามาสย่าเชื่อว่าเขาทํากันเยอะก็ไปกันเยอะก็ ข, ขึ้นกันเยอะคือความเน่าเชื่อได้อยู่ที่ความเยอะเยอะลเลอะเทอะหลงไหลมีได้ไหมหมอทันวัดเราไม่ต้องกลัวหรอกมาโน้อยคอยมีคุณภาพให้ถูกทางบางทีนะอะไรที่เขาไปกันเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีก็มี วยุ่มว่าคนนี้มันน ม, มงายไปขอหวยนี่มันไปกันเยอะไหมแล้วเวลามาฟังทำเทปนี่มันใหญ่มาไม่กี่เยอะแต่ว่าในไม่ดีเหมืกันเออตองที่เขาไปขออะไรต่ะไรเป็นหลงอะไรตื่นเต้นอะไรที่มันมีเรื่องอะไรตื่นเต้นลึกลับเนี่ยมจะไปกันเยอะแต่ไปเยอะแล้ออไม่ใช่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาวิมุตติอาจจะเป็นเรื่องมิจฉาทิฏฐิก็ได้มิจฉาทิฏฐิก็สามารถดึงคนได้เยอะใช่ปะ่ะอยู่นี่ย ลที่เขาทำอะไรแปลกๆมีลาหูมีพิกกันเน่มีเท้าหมาผมพอจะเข้าถึงวัดหรยผ่านไรต่ออะไรแปลกๆ แ, แล้วคนก็ไปโย่ไปหวานไปบิตาบาก ท, ที่สนามห่วงมีใครก็ไม่รู้อม ป, ปุตารุกงดำใหญ่ดำปุ๊บเลยมาตั้งโค้นเงี้ยไปทำกันแน่นไปหมดไปลดน้ำไปถูงไปอ่อนวอนไปบน ตอนมาเน่งลนะึตอนมาไปเทพสนามหลวงเทพเวทีใหญ่กลางนะเชื่อไหยมตอนเขาไปรถน้าพระตอนเขาเวียนเทียนคุ้มแน่นหมดเลยแต่ตอนเราเทิเดือดติเดียดเดืร้อยเดียดตอนนั้นห้าร้อยปคนแต่ขอให้รู้เถอะอะไรที่ชวนให้คนหลงเนี่ยมติเยอะยอมว่วมาไอ้วงกินเหล้าไขายเหล้าเนี่ยมันเยอะไหม วันนี้เขาสั่งให้หยุดกินเหล้าและหยุดขายเหล้าเนี่ยยมว่ามันหยุดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไอ้พวกนี้มันนิยมของมันมันชื่นชมของมันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอ่หมดเวลาพอาต่อไว้ตโ ย, ยมมันดูลักษณะจุดเด่นลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนามีปณิยมนักปรับจัดไว้ทั้งหมดยีสิบประการแต่เอาสัก ขึ้ น, นออาาาาึ่งก็พออ้าๆอย่หมดเวลาแล้วถ้าใครอยากฟังต่อเดี๋ยวทุมม่มหนึ่งมาใหม่จะมีตอนต่อไปติดตามตอนต่อไปอ้ายี่สิบข้อนั้นมีอะไรบ้างนพระพุทธศาสนานเนี่ยเป็นศาสนานที่ไม่ได้มีลากฐานมาจากฤทธิดเดชปาฏิหารแต่เป็นศาสนานที่ มากับเหตุผลมีเหตุผลและคุณงามความดีที่เห็นได้จริงไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งข้อนี้น่าทำความเข้าใจโยมถ้าวัดนี้ไม่มีพระปฏิหารไม่มีพุทธลูกศักดิ์สิทธิ์แต่โยมยังมาในแสดงว่ายมมาถูกเหตุถูกผลไหมเพราะศัสนาพุทธไม่ได้มากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารแต่มาด้วยเหตุด้วยผลด้วยคุณงามความดี ทั้งวัดนี้เไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารเรียกร้องให้คนได้มาไม่มีที่สําหรับบนบางสัล่าวแล้วได้มรดได้เช่นบนแล้วได้ผลเนี่ยแล้วก็ละครเป็นล้ำหลพ่อก็ชอบดูละครไปด้วยทั้คนเขาควาหลวงพ่อสุตตรติดละคร อ, อะไรยบเพราะฉะนั้นพวกเราึกเรื่องศาสนาจุดเด่นของเราอยู่ที่เหตุผลและ คุณงามความดีไม่ใช่ปาฏิหารไม่ใช่ความลึกลับโดนบันดาลศาสนาพุทธไม่จช่ศาสนาอน้อนวอนเป็นาศาสนาที่สอนให้พึ่งตนเองนี่คือลักษณะเด่นข้อที่หนึ่งนั่นยมมาที่วัดเนี่ยยอมมาด้วยความรู้สึกว่าวัดนี้สอนมีเหตุมีผลมีการปฏิบัติคุณธรรมความดียังไงวัดสวยงามยังไงธรรมชาติงาม หรือว่ามีอะไรที่ปรุงแต่งแพงแล้วก็โอ้โหเมื่อคืนวันก่อนนะท่านอาวะเจะนอนเนะี่ยมิตรใครก็ไปถ่ายถ่ายบริเวณวัดนั้นอนะ่ะหมดเลยเนี่ยม่านอาวะก็นะแสนล้านแสนล้านน่่จะได้นะสร้างแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมันใหญ่โตโอราัอลังการประมุขงามจากวัตถุจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนเนี่ยมันก็ดึงได้เยอะเหมือนกันนะ เพราะว่าเขาว่ามันโอราสกาตามันใหญ่ที่สุดจนฉายาว่าเลนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆหญเอเยอมถ้าทำอะไรเล็กๆกก็ไม่ทำถ้าบวชต้องบวชแสนองค์ถ้าเดินตัว ด, ดินต้องพันองค์ถ้าสร้างอะไรต้องร้อยล้านขึ้นพันล้านขึ้นไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้ก็ว่าหมื่นล้านเย๋จะดีรุกหมื่นล้าน เนี่ยโบดหลังนี้ยงลงเดามที่เท่าไหร่โบสหลังนี้เท่าไหร่ล้านเดียวนที่สร้างเสร็จปูหินอ่อนเนี่ยตอกเข็มด้วยอะไรด้วยปลูกต้นไม้ด้วยติดแอร์ฟอกด้วยล้านเดียวโยมฟังเทโก็ไม่กล้องอากาศถ่ายเทไม่อุดปมท่านแมท่านแมจะต้องทํากันมากกันแพงทําไมจะต้องเอาเงินไปถมไปจมอยู่กับเรื่อง ศาสนาสัเกินไปสมัยพุทธเจ้าเนี่ยท่านรวยท่านอยู่ในวังประสาทพอบวชแล้วก็ามาอยู่โคนต้นไม้แล้วแปลกมรรคเจ้าเนี่ยประสูตนิน่าจะประสูติที่โรงบานชั้นดีก็ประสูติโคนต้นไม้ตัดสรู้น่าจะตัดสรู้บนมหลาลัยชั้นลิศก็ตัดสรู้ที่โคนต้นสอนสาวกส่วนใหญ่ก็สอนตามโคนดับขันน่าจะไปดับบนประสาทกับดับที่ กนต้นไม้นัวันนี้พวกเรามาอยู่อัศนะพระพุทธเจ้าน่าจะได้บรรยากาศอะไรดีทีเนี่ยรางศาสนาพุทธไม่ได้มีรากฐานมาจากฤทธิ์เดชไม่ได้มีรากฐานมาจากปาฏิหาริย์แต่เป็นศาสนาที่มีเหตุผลและคุณนามความดีที่เห็นได้จริงคือผู้สอนแล้วมันมองได้เห็นได้จริงว่าที่เราเนี่ยไปเชื่อไอ้ความลึกลับ แต่ไม่สนใจความลึกซึ้งถ้าเขามีเรื่องอะไรลึกลับที่ไหนละแห่ไปขอไปอ้อนวอนกันกลายเป็นศาสนาอ้อนวอนไปเราจึงชอบทําพวกพุทธพิธีพุทธอ้อนวอนส่วนพุทธวิธีที่จะทําให้ทุกข์ลดลงไม่สนใจอันนี้เป็นเรื่องเสียหายที่ชาวพุทธไม่รู้ลักษณะเด่นของพุทธศาสนาข้อที่หนึ่งอแต่นี้ข้อต่อมาก็คือว่า ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสน า, าที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภายในเป็นอิสระจากกิเลสได้เราจะเรียกร้องให้เรามีเสรีภาพเท่ากันแต่นี้พุทธศาสนานี่มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงธรรมะเนี่ยผู้ชายจะมากีดกันได้ไหมผู้หญิงจงเล่ากว่าผู้ชายฟังธรรมะจนมึนอย่างเรื่อง วันนี้ไม่แม่ผู้หญิงอาจจะฟังแล้วเข้าใจได้ดีมากกว่าผู้ชายได้ไหมเป็นสิทธิของผู้หญิงจะพึนได้ธรรมะจากความหลุดพ้นจากมรรคผลสิทธิอันนี้ไม่ได้ห้ามไม่ได้กัน้นไม่แบ่งว่าผู้ชายได้มากผู้หญิงได้ผู้หญิงหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์มีไหมในกางวิกาแ ต, แต่ผู้หญิงมีเรื่องก็มีเยอะกันเนาะ <c oughs> สรุปว่าสิทธิ ม, มันม่เสียชมเรื่องอื่นนะมันทำยากแต่เรื่องที่เราจะมีสิทธิได้มรดกได้ผลเนี่ยมันเป็นสิทธิของผู้หญิงอยากจะเป็นคนดีมีใครกีดกันไหมต้องให้คนตัดสินกรรมการเท่าไหร่ถึงจะเป็นคนดีได้ไมเเเเ่เลือกเป็นโอาเอเลือกเป็นออาเอคุณจะเป็นคนดีระดับไหนระดับกาลยานชนระดับอาวยชนผู้หญิงจะเลื่อนเป็นโสดาบันไดไหมเอ็นไม นั้นสิทธิที่เราเรียกร้องกันเนี่ยแล้วต้องให้คนอื่นเขารับรองต้องให้เขาออกเป็นกฎหมายแต่สิทธิที่เราจะได้มักได้ผลได้ความสุขไม่มีใครปิดกั้นได้เลยไอ้สิทธิตรงนี้ไม่ค่อยทำชอบไปทำแบบนั้นเขาบอกอะไรนะเมื่สอสงวันในทุเลบางประเทศผู้ชายใส่เสื้อกล้ามโชว์ได้ผู้หญิงก็ต้องใส่เสื้อกล้ามได้ผู้ชายนุ่งแต่ผ้าคมา คนบนเปลผู้หญิงก็น่าจะเปลยข้างบได้รูสิทธิอะไรก็นบ้างไเสียไปลเวลาเออไอสิทธิที่ทําให้เราไม่เป็นทุกเท่ากับผู้ชายได้เหมือนกันผู้หญิงไม่เห็แต่ว่าแต่เป็นผู้หญิงแล้วก็เสียโอกาสที่จะอยู่อย่างเป็นสุขผู้หญิงเสียโอกาสที่ทําให้จิตขาวรอกมีที่ไหนอยากทําก็ทำเอาสิก็ได้ผลเหมือนกันกับคนอื่นที่เป็นผู้ชาย ยอมยอมเคยได้ยินผู้หญิงคนที่ดังๆในอดีตที่เขานับถือกันเยอะๆมีไหมเช่นกอเขาสวนหลวงบาสิกากียเขาบอกว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเคยชื่นชมนะว่าผู้หญิงคนนี้รู้เรื่องจิตว่างได้อย่างแจม่มแจง้งแสดงว่าสิทธิที่ผู้หญิงจะทําให้จิตว่างไม่วุ่นวายเนี่ยสิทธิอันนี้ใครป้องกันใครข้ามใครได้ ต้องผ่า น, นาคณะกรรมาการลงมติไหมคุณอยากทําจิตว่างคุณก็พยายามให้ว่างอย่าไปวุ่นนู่นวุ่น น, นี่ผู้ชายมันวุ่นกว่าผู้หญิงบางคนมีไหมเออไอพ่ อ, อ, อ, อ, อพที่ชอบมีเมียน้อยเยอะๆเนี่ยมันก็วุ่นแต่วันมาสงวันนี้น่าตกใจนะประเทศไทยไม่น่าเสียหา ย, ยานี่เลยประเทศอะไร ย, ยมที่สามีพัญญามีกิ๊กกันมากที่สุดแล้วผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายประเทศอะไรประเทศไทย ไม่น่าได้แชมชั่วมะคลองเลยเนี่เขาว่าผู้หญิงเนี่ยมีจิตมากกว่าสา ม, มีฝ่ายชายนักผู้หญิงต้องจะไปเรียกร้องสิทธิอะไรสิทธิที่เจอเองจะเป็นคนดีจิตว่างไม่ทำวุ่นกับคนนู้นคนนี้เขาแล้วก็บอกว่าจะต้องได้เท่าเขาผู้ชายมันมีได้เราก็ต้องมันเปืยอกได้เราก็ต้องเดี๋ยวนี้ทุเลตโอ้มันเปืยก็จนไม่ใส่ทำ ม, มานลยหรือติเดเตี้เนี่ย ออกมาแทบจะหมดสุขพวงแล้วเหรอเอะสิทธิ์อยวุ่นวายนี่ปรุงแต่งให้มันวุ่นวายมันไม่ปลุงแต่งให้มันถึงขั้นสุดซอยหยุดปลุงแต่งว่าเราจะเสียเปรียบผู้ชายเราจะไม่ได้สิทธิ์เท่านั้นเท่านี้จำนวนต้องเท่ากันถ้าผู้ชายเล่นการเมืองได้เท่านี้ผู้หญิงก็ต้องได้เท่านี้กันเหนื่อยตายมันต้องแข่งขันกันนะคุณจะไปวันล็อกได้ยังไงะ พอเขาไม่ให้เข้านอนก็ถามว่าหมดศรัทธาไอ้พวกหมู่มากก็ไม่ได้ตรงนั้นนะมาเอาตรงนี้กันดีไหมมเอาตรงจิตว่างกันเนี่ยมันวุ่นวุ่นไปให้มีตรกลงใครวุ่นเนี่ยกูหญิงที่ไม่ได้สิทธิ์แล้ววุ่นเนี่ยนี่แหละเสียสิทธิ์ที่ไม่ควรจะเสียย่อมเสียสิทธิ์จํานวนเท่าเขาเนี่ยไม่เท่าไรแต่เสียสิทธิ์ที่เราจะได้ว่างสนบเย็นเนี่ยมันน่าเสียดายไหมน่าเสียดายไหม ใช่แต่เป็นเรามาเป็นผู้หญิงนะจะไม่วื่นอย่างนี้ <c oughs> เราก็มีสิทธิธรรมใจของเราให้สบายยังไงยังไงนะพวกเราเนะี่ยเราไม่มีสิทธิได้ถูกแต่งตั้งเป็นอะไรแต่เราจะแต่งตั้งตัวเราเองปั้มตัวเราเองควบคุมฝึกฝนฝึกฝืนปฏิบัติฝึกหัดให้เราได้สิทธิ์ได้มรดกได้ผลในพุทธศาสนาเท่าผู้ชายอันนี้คือสุดยอดบอกไว้ <c oughs> เอาบุญสำหรับผู้หญิง งานจะมาสอนสนาทีผมจะไปไม่ไปก็เลี้ยงพวกแเอา้าสค อ, อแล้วนะข้อแรกสนาพุทธไม่ใช่มาจากหลักฐานปาฏิหารไม่ใช่มาจากความอ่อนวอนบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้ดีดได้ดีเป็นคนดีเพราะไปบนบานมาถึงได้เป็นคนดีเราดีเพราะเราเห็นเหตุผลความดีแล้วเราก็โดดกข้ไปประพฤติปฏิบัติกระทาความดีจนเห็นจริงเห็นจังว่าทําแบบนี้ดีกว่ากันเยอะเลย ศัสนาพุทธไม่ได้มาจากพากฐานศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารสองศาสนาพุทธให้สิทธิถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรแม่ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีก็อบอกขาดตอนแล้วไตหวันอะไระอะไรคนกบวชสีหลังกากขาก็บวชพระสองวันจะมายัางไปอภิปรายกับแม่ภิกษุณีด ok ็อกเตอร์ชัดสุมานกบินละสิงไปบรรยายมาลูกอานะเดี๋ยวสงขแล้วนโะยม จะเอาหครบสมไหมอีกสพุทธศาสนามีลักษณะเด่นสอนให้กล้ า, ผาเผชิญหน้าความจริงซึื่อสอนให้รู้จักการเกิดแก่เจ็บตายและก็ต้องผเผชิญหน้าตั้งท่ารับมันอย่างชาญฉลาดและนําเอาประโยชน์จากศาสนาที่สอนให้ตั้งท่ารับศึกษาเรียนรู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตาย มันเป็นเรื่องไม่แน่นอนของสังขารร่างกายฉะนั้นไม่มั่งอกสั่นฝันเสียถ้าร่างกายมันปกเปียเพยแลแรงอ่อนเพลียมันจะตายมันจะอยู่ไม่ได้แล้วเราก็จะไปะเชิญหน้าตั้งท่ารับมันยังดิคนเราเนี่ยแกเจ็บตายไม่ซ้อมรับเลยแกเจ็บตายเนี่ยถึงไม่ซ้อมก็ต้องรับนะมแต่อีคนนั้ น, นซ้อมแล้วไม่ได้รับนีไห เยอะแยะเยอะซ้อมมนอเด็ดตั้งท่ารับความตายอย่างชาญฉลาดนี่พระที่บังที่สุดของเมืองไทยเก่งในการจัดคอร์ดให้คนไข้วาละสุดท้ายเตรียมสู้ตั้งท่ารับความตายชื่อพระอะไรอยู่ชายภูมิที่ออกความเห็นเมื่อเร็วๆนี้พระไพศาลวิสาลโล่เคยยนชื่อไหมพระองค์เนี้ยที่ออกมาวิิจัยเมื่อเร็วๆ ว, ว่า พระสํานักนั้นว่าไปเห็นสติจอบกำลังจะไปเกิดบนสวรรค์อะไรเงี้ยท่านบอกเนี่อดดยอวดอุตตริเ อ, อินนั่นกลไปสามวิสาโลท่านโบสถมาหลายปีแล้วท่านไปฝึกกรรมฐานกาัจจันทร์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อจีมณละภาบหลวงพ่อเขียนที่ฝึกทําเร็วเนี้ยเนี่ยมือกบกบเขาเรียกเจริญสติแบบไวเดินจงกรมเนี่ยสาขาอื่นสํานักตื่นมักจะ ให้เดินช้าช้ายากยกเหยียบนอเนี่ยท่า น, นบบท่านบอกเดินชาสติมันจะหลับเมื่อก่อนหลวงพ่อเทียมอยู่ที่นี่นะใครรู้จักว่าพลวพ่อเทียมนาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วท่านขยายวัดไม่ออกท่านบอ ก, กไม่ยอมเราไม่ใช่คนที่นี่ขอที่ก็ไม่ได้เรายกให้คุณอาวะก็เลยมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนท่านอยู่ที่นี่มีนายหลายองค์เดินจงกรมนี่ยโยมเดินจนดินลึกเป็นคืบเลยนะแถวเนี้ย มันประโยชน์ควาดรูลเร็วกท่านแบบเดินช้าเดินหลับเดินเร็วมั น, นตึงเหมือนสติตึงอะไรเนี่ยยอมนะก็จะศา ส, ส, ส, สนาเนี่ยนะกล้าเผชิญกับความจริงเอาประโยชน์จากการตายเนี่ยมาพลิกผันให้มันดังกิเลสออกดังความทุกข์ออกไม่ใช่มากดดันให้เราเป็นทุกข์เพราะป่วยแก่เจ็บตายเรานี่ชอบถูกไอ้ความเจ็บป่วยแก่ กดดันให้เราเป็นทุกข์ทำไมเราไม่เล่นพริกเอามาเป็นประโยชน์กดดันมันมึน่งประชา ว, ว่าไงเทตว่าไงเวลาทักพระพยอมเนี่ยว่าไงชที่บอกว่าพระดีๆเลยมาเสียพระพระโยมเวลาพระดังและชอบชื่นชมยกย่องสรรเสริญถวายลาบสการะลึกเกินพุทธเา ว, ว่าไงพุทธเจ้าบอกาลาบสักการะเสียวสรรเสริญเยินยอเป็นของแสบเผ็ดอมัดผลนิพาน ยมมนี่ชอบเอาของแสบเผ็ดมาทำลายมรรคผลพระด้วยจริงๆนะเป็นเรื่องจริงที่คนยกอาตมาเนี่ยตอนตอนดังสุดกีดนะมันบอกว่าเมืองไทยมันนับถือสามองค์ 1. หนึ่งพุทธเจ้าสองพอพุทธทาสามพระประโยคน์อุปัตดีกว่าเราต้องเยอะมันเสือกมายกยองเราเราก็จะเหลืองสิเท้าจะไม่ติดดินเลแต่เดีจะบุญน ะ, ะเดีหยวลียวดินอยู่ ทำไมเหมินไปกัยงตะในก่อนพุทโธแล้วยอว่าพวกนั้นนะพระตอนขบวนใหม่ๆนะเขาก็ดีอยากจะปนาานนีนหาผลผลึบนแต่ล่วงหล่นลงมาเพราะยอมเอาของแสบเผ็ดไปให้าลาภสกาละไปปมเปื้อนมิสุโออาทิตย์ยังไหนไปรอดถ้าเสียกายแอนไม่มาขับรถให้ทีหลังเจอพระพยองทักในอย่าบอกว่าทันดีทันดีนี้แต่เราบอกท่านนี้มากกว่าจะอยู่อีกไม่นาน ตัอาการท่าแลโอมอะไรเนี้ยทักอย่างนี้บ้างพระเขาจะได้ไม่ประมาทจะได้รีบผลฝ่ายหามักผลก่อนตายที่ยอมชอบทักแบบนี้ไม่ดีเลยอออเจอที่ไรท่านก็แล้ไม่แก่เลยนะอะไรเนี่ยไม่ดีทักแบบนี้ก็ต้องทักว่าอู้หท่านแลโอมประไว้เท่าไหร่แล้วจ๊ะโอกรีมากเอมันแปดสิบเนี่ยถ้ายอย่างนี้แล้วขอ อัตมาคงนอนใจไม่ได้แล้วต้องรีบผลสายหามักหาผลแล้วเนี่ยเมื่อก่อนอ่งที่เคยเล่าให้ฟังว่าเขาทักคนในหมู่บ้านที่จเจริญสติเวลาเขาเจอกันก็ไม่ทักชื่นชมไม่เหลอไหลหรอกก็จะทักว่าเอ้าสติยังดีอยู่หรืออ น, น, นี้ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้มันด่าตายมหาวกิกระบะเพราะงั้นคนเราเนี่ยอย่าให้เข า, านั้นสรรเสริญเยินยอมากเดี๋ยวมันเหลือง จริงไหมมาอยู่ส่วนโลกเจ็ปีนะหลวพ่อบูตธาตไม่เคยชมมาตมาเลยพอเราพูดอะไรท่านถามว่าเองไปเผยแปร่ไปไปงทําทงานดีขึ้นไหมโอ้ที่ น, นี้ดีมากคนศรัทธาฟไปเกณฑ์เราคนฟังกันนึงนันมาไม่หยุดเลยวันสํางานสี่งานตอนนี้กำลังดีจังเลยทำไม่ดีทัานบอกอย่างงอกมันยังมีอะไรดีกว่า น, นี้อีกเยอะถ้าบอกว่าดีที่สุดแล้วมันจะไม่หยุดขยับความดีขึ้นเนี่ยโยงโยงอย่าบอกนะ วันนี้ฉันมาฟังดีที่สุดเลยแล้วจะโ ง, ง่งงไปฟังต่ออีกแล้วโยมต้องบอกว่าวันนี้พันธ์ฉันพึงไปได้มันมิดเดียววันหน้าฉันจะมาต่อถ้าอย่างเนี้ยเรจะดีขึ้นแต่ท่านจังบอกว่าจะไม่บอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วมันต้องบอกยังมีดีวันนี้ที่เราต้องทำต่อเนี่อย่างเนี้ยจะดีขึ้นเห็ไหมโยมอย่าเลยนะทีหลังนะแม่อย่ามาและที่บอกกันไม่จำเนี่ยอย่าถวายปัจจัยแล้วบอก นี่ถวายส่วนตัวนะเจ้าค้ะทีหลังต้องทำไมนี่ถวายทะลกบำรุง菩าสนานะเจ้าค้ะท่านอย่าไปใช้อย่้อแจกนะตายตายแล้วโยบายนจะคิดหัวถ้าอย่างนี้พระก็จะไม่ปนเปลือยบเรอเอาเงินมาเป็นส่วนตัวก็จะถวายบอกของพระเจ้าของาศาสตร์นาพระจะได้ไม่เปิดบัญชียึดเอาไปเป็นของส่วนอนั่นไอ้ชองเ่าชงตา มาสัมาัสแตมาแล้วขอดูบัญชีแตมาให้ดูมันบอกไปสิบวัดกรรมาการวัดกระจวาปไม่ให้ดูมันมีอะไรรับรวงพลางหรือไม่ดูของเราเปิดเผยให้ดูเพราะเราไม่ได้มีพันลา้านไม่ได้มีร้อยลา้านวัดที่มีพันล้านเนี่ยไม่ให้ดูใช่ไหมกลัวไต่ตัวเองจะเปิดเผยวคนจะไม่ทำเนี่ยอย่างหลวงปู่เนี่ย ถ้าท่านบอกโยมพอแล้วจะมาเก็บไปตั้ง 5,000 ล้า น, นยโยมจะไปทำอีกเปล่าไม่ท่านไม่บอกพอท่านมรณาภาพแล้วไปเจอ 5,000 ล้านลูกหลานญาติท่านก็ทะเลาะกับกรรมาการวัดฟ้องร้องกันนี่ไหมเนี่ยโยมโอเอาแค่นี้ไหมไมเลยข้อนปะป่ะฮะข้อนี้ดีนะพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้แก้ปัญหาด้วยศีลธรรม ปัญหาต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดเพราะไม่มีศีลธรรมแต่ต่อยอดอีกนิดหนึง่งก็ไม่ละเลยต่อปัญหาเศรษฐกิจตรงนี้ดีมากพุทธศาสนาที่เขาจัดว่ามีส่วนเด่นก็คือว่าสอนให้แก้ปัญหาด้วยศีลธรรมแต่ก็ไม่ละเลยเศรษฐกิจยอมเขาว่าศีลธรรมกินไม่ได้ยอมจริงป่ะฮะยอมว่าศีลธรรมไม่มีไม่ยทำให้ไม่มีกินได้ไหมกดได้ไหม เขามาเที่ยวประเทศเราเนี่ยถ้าเรามีคนมีสินรมเขาลืมกระเป๋าสตางค์เขาลืมอะไรเราหาเจ้าของคืนเขาเนี่ยเขาก็จีนชมแต่เขามาแล้วเขาถูกฉกนู่นแย่งนี่หลีดโอ้แม่มันเลวจริงนะอีแท็กซี่บางคนเนี่ยมันเรียกเขาเท่าไหร่รู้ไหมันเรียกคนละห้าร้อยจากอะไรตลาดมอจิตอ่ะช้านคุนเสียไปพันหน้าที่จริงอ่ะห้าร้อยเท่นั้นเอง บางทีมันก็ไปรีดเขาเกินเหตุมันมีเรื่องฟ้องร้องระหว่างนักท่องเที่ยวกับไก่เกยกับแบกซีกับอะไรพวกนี้ขายของบังคับเขาขายเขาแพงเอาเปรียบเขาการเอาเปรียบเขามันมีศีลธรรมไหมแล้วมันเลยทำให้คนไม่อยากมาเที่ยวเมืองไทยไหมเศรษฐกิจกไทยก็เลยเพราะนั้นการแก้ศีลธรรมให้ประเทศชาติดีงามแล้วก็ประเทศชาติดีงาม มันก็จะเป็นที่ดึงดูดซับเข้ามายอมรู้ไหมอย่างประเทศพูตานนะ่ตอนนี้เขาบอกว่าโรงแรมเนี่ยเต็มหมดเลยแล้วเขาแปลกไหมเขาเอาสินทำแล้วแก้ปัญหาได้โดยอัตโนมัติเขามีสเปกวางไว้เลยนะว่าคนนี้มาเที่ยวในวันนี้เขารับแค่ห0 0พันถ้าเกินกว่านั้นเขาไม่เอาบอกเดี๋ยวทำลายสิ่งแวดล้อมทาลายบรรยากาศความสงบเขาไม่สนใจ GDP แต่จริงๆแล้ว GDP ก็เพิ่มเพราะการที่เขาเอาความสงบเอาศิลธรรมเอาบรรยากาศยอดนิยมโยว่าลาวเริ่มขายวัฒนธรรมเริ่มขายศิลธรรมวันนั้นจะมาฟังอย่างสะท้านหัวใจผู้ใหญ่ลาวคนหนึ่งพูดว่าเราวลาวอย่าเอาอย่างไทยอย่าเอาอย่างไทยเลื่องใบปะล่ะเลยขนทมทำเนียมจารีประเคนีศิลธรรมลาวตอนนี้ยังรักษาเข้มข้นกว่าเราไหมพม่าก่อนเข้มข้นนะ ตอนนี้เขาก็ท่องเที่ยวเยอะของเราสิเที่ยวมาแล้วเสือกอาเตะละครเราเนี่ยมันตา ก, กันตรงกันเจง่าแล้วเราหไม่ได้เรื่องแล้วแต่ของเขาอ่ะเขาไม่ยอมเขาจะเอาศิลธรรมไปแล้วคนที่สุดคงไปเที่ยวปลอดภัยในหมู่บ้านที่มีศิลธรรมเขาก็เลยได้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวจีดีพีเราเท่าไหร่ตอนนี้หกเจ็ดของเราตายไปนหนึ่งล่วงมาเหลือ ตายไปสองล้ไม่อีกเนี่ยสิ่งที่แก้เศรษฐกิจอยากไปคิดว่าสิ่งทร่ไม่แก้เศรษฐกิจมันไม่มีสิ่งที่ทำเนี่ยการเมืองเล่นกันแย่งกันแย่งกันเป็นใหญ่ใส่ร้ายศาสรคนกันจนทหารต้องมายึดอํานาจเจ้าทหารก็แก้เศรษฐกิจไม่เป็นอะลยเสร็จเลยเจ น, นเสร็จทหารจะไปเรียนเศรษฐศาสตร์มาจากไหนก็ต้องเรียนวิชาป้องกันประเทศ เขาไม่ได้เรียนวิชาป้องกันเศรษฐกิจตอนนี้แย่ไหเนี่ยมาทาบุญเนี่ยนั่งนับกันนานดีนี่แบงนยี่สิบถึงนะนานจะมีแบงพันเาะไปเยี่ยมวัดก็ีตัวแบงพันดีนี่เขาไปไหนเนียูกใส่ไปห้างไปต่างประเทศไอ้แบงค์ยี่สิมที่วัดด้วยเดีนี้ทำบุญดังนะเรียนสิบชอบเศรษฐกิจแย่ีิ วันวาเลนไทยดอกไม้ขายไม่หมดวันตุ๊กจีนเครื่องไหว้ขายไม่หมดวันมาคะเนี่ยเขาบอกไอ้คุณบราการค้าคนวิจัยอะ่ะเชื่อเลยปีนี้หดสี่สิบสามสิเปอร์ซ็นต์ีนี้คนทำบุญน้อยลงไปหดไปตั้งสามสี่สิเปอร์เซ็นพราะมันกลัวจะไม่มีจ่ายครัวเรือนแต่มาจ่ายวัดหมดแต่ไมยมมาวัดนี้ตับรองไม่บอกให้ทำเยอะไม่เยอะหอกบอกทำน้อ ย, อยก็ได้ จะทํทำบ่อ ย, อยทําี้เนาะอย่าไปงูกตามเขาทําเยอะทําหมดทุ่มทำทำบุญทุ่มทําบุญแบบหมดเนื้อหมดตัวนี่มันเป็นเรื่องโง่ชัดๆบ้าบุญหลงบุญเมาบุญเป็นหัวใจาศาสนาที่สอนมาแล้วเมย์ทำอย่าพรุงแต่งจนบุญทำให้วุ่นวายต้องทําใจข่ารอบแล้วโดยไม่ต้องเสียตังคเพราะพุทธเจ้าวงาง่าไงที่บอกว่าให้ทานสิบหกครั้งทั้งพระพุทธเจ้านั่งเป็นประธานด้วย ก็ไม่เท่ากับเจริญเมตตาเพียงครั้งเดียวเพราะอะไรโจเห็นชัดไหมเมื่อก่อนตอมาฟังก็เฉยๆนะแต่พอเกิดเรื่องสากรอยู่เนี่ยของจันเนี่ยโอ้โหพระเจ้าไม่ยอดจริงๆถึงแม้ว่าให้ทานกับพระองค์ท่านบอกว่า16ครั้งก็ยังไม่เท่ากับคุณเจริญเมตตาเพียงครั้งเดียวเพราะอะไรถ้าเมตตาแล้วจะโกงตังคนแก่ที่ฝากไว้กินดอกตอนไทยเอาไปทําบุญให้พระหมดได้ไหม ที่กินมนมาให้พระมันก็ไม่ได้สงสารพระนะมันต้องการบุญของมันหรือปอกเงินก็ยังไม่รู้เลยถ้าพอกเงินก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่เมื่อกี้นี้เขาส่งมาให้เขาว่าทางมาของเงินการได้โยกย้ายกันเนี่ยโอ้โหมาตกใจเดี๋ยวยมอ่านเองก็ได้นะเส้นทางเดินเงินสะกรอนเครดิตอยู่เนี่ยของจัง ในวันที่ยีิบสามกุมภาแปดในไพบูรณิติตวันเนี่ยได้พูดเส้นทางมาของกัรเงินกรมีที่นายสุภชัยศรีพระอักษรอดีตประธานสหย o u t h e n ของจำได็นนําเงินของสหยู u t h e n ของจำให้วัดพระธรรมกายภายหลังที่หามหือกันนานสามชั่วโมงในายไพบูรณเผยว่าจากการสอบถามผู้อานวยการกองกฎหมายและผู้อํานวยการกองคดีหนึ่งปปง สรุปว่านายกุณชัยกระทําความผิดฐานช่องโกงเงินประชาชนโดยมีการลงนามสั่งจ่ายเช็คของสหกรณ์ยูเนี่ยนของจันทร์และมีการนําเช็คไปเข้าบัญชีฝากสมส่วนดังนี้สั่งจ่ายเช็คสหกรณ์แฉบับเข้าบัญชีเงินฝากสองล้านสั่งจ่ายเช็คสหกรณ์หฉบับเข้าบัญชีเงินฝากของวัฒธรรมกาย4 36ล้าน เน่เนสั่งใจเช็คเข้าบัญชีพระประหลัดวิจารร้อยสล้านคิดเป็นมูลค่าเก้ารยล้านทั้งนี้ยังไม่นับรวมกรณีที่นายสุบชัยเป็นเช็คกลุ่มบุคคลอื่นอื่นเพื่อนำเงินไปซื้อที่ดินบริจาคให้วัดและก่อสร้างเจดีย์รวมทั้งเปิดบัญชีให้ยืมต่างทาบุญเดี๋ยวเปอด์ากล่าวัดเนี่ยเฮ็ดเราก็ยุยุ่งท้หมดยัง มันก็ไปกดกันหน้ามาทํา่อเรื่องอะไรอย่างนี้มีเมตตาไหมทําอีกเท่าไหรเท่าไหร่ก็บาป บ, าบันเลยวุ่นวายไม่หยุดไม่หยุดเลยมีจิตบริสุทธ์เลยแล้วนี่หนไหมปรุงแล้ววุ่นวายไหมเนี่ยบาปบุญลบไม่บุญงงๆเลยแล้ชาวบุตรเนี่ยหัดรู้เท่ารู้ทันรู้แก่รู้กันจะได้เป็นพุทธบริษัทแปลว่าผู้นั่งแวดล้อมผู้รู้ผู้ตื่นผู้ เ, เ, เบิกบาน พีไ่ไปทำบุญยังงหลับไหลโง่เงาเมาบ้าลงมกันมัเป็นเรื่องแย่เลยแย่ yeah. แล้วก็ทำใหบางคนมาบนอยากจะเปลี่ยนศาสนาโยมศาสนาอื่นเขาก็มีปัญหาไหมอิสล า, า ม, า ม, มลก็มีไหมคริสก็มีไหมของเขามีไอเอ็ดเชื้อเผาตั้มของเรามีไหมไอเอ็ดอิสลัม <h ums> ขันชายาัยยไอเอ็ดอิสลัม อิสระจะทำอะไรก็ได้จะว่าพระผู้ใหญ่งไว่ก็ได้ไอ้เอกอิสระยกก้าวพวกเรานะยังไงยังไงครับใครจะเสียจะได้แต่วันนี้ตามารู้สึกอุ่กใจก็มานิดหนึ่งไอ้ที่นักข่าวมันถามตามาสามสวันมาว่าหลวงพ่อศาสนาคุทธในเมืองไทยใกล้จะสับสูเหมือนอินเดียหรือยังออแต่เห็นเรื่องนี้แล้ว แสดงว่าโยมแยกแยะเป็นใช่ปะเมก่อนไปแล้วยันจระไปแล้วทำไมจะโยจะอยู่หรือจะไปก็เื่ของแกเราก็จะอยู่กับจารนาของเราต่อไปไห ม, มถ้าคิดอย่างนี้ชงตอนต่อไปอีกข้อเดียวนะอีกข้เดียวเรามาดูว่าที่เรามีหลักเด่นดีดีพุทธศาสสนามมีลักษณะเด่ น, ดด ต, น, ดนตั้งยี่สิบข้อเนี่ย เราจะได้เอาข้อไหนไว้สักข้อเพื่อให้เราได้เป็นคนที่ได้ประโยชน์จากศาสนามากที่สุดอันนี้โดยอีกสักข้อหนึ่งข้อที่สิบสองพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ทำความดีเพื่อความดีไม่สอนว่าทำบุญทำดีเพื่อตะวันเพื่อวิมานอะไรเดี๋ยวนี้เรากำลังทำดีเพื่ออะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมด อย่าว่าตมาลบหลวงอะไรกินนะบวชยุคนี้ก็บวชผิดปัจจุประสงค์เมื่อก่อนพระจะบวชเนี่ยจะต้องกล่าวขันนาคต่อพระพุทชาว่าสัพพทุกขานิสสนานิพานะสัจจิกรณัตถายะก็คือทําดีเพื่อดับทุกเพราะดับทุกเป็นความดีของพุทธศาสนาพุทธสาว่าการดับทุกเป็นเรื่องของความดีที่ต้องทํานั้นการมาบวชก็ต้องบวชเพื่อทําความดีคือดับทุกขไม่ใช่บวชให้พอ่อให้แม่ ถามว่าใช่หรือไม่ขอเนี่จยมมาฟังเทศเนี่ยบอกจะฟังให้พ่อยแม่ไม่ฟังเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองจ่เป็นคนดีใช่ไหมใช่บวชแม่ขาวเนี่ยบวชถวายพระราชดุลสนไม่บวชเพื่อตัวเองเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีแล้วจะถวายพระราชดุลสนก็ได้แต่ข้อแรกเราต้องทําเพื่อเราตัวเองเป็นคนดีแต่เนี่ยทุกวันเนี้เป็นอย่างเนี้ยจัดแบบเนี้ยเยอะบวชดูเล็ดที่สุดเลย บวชได้พ่อไอแม่มบวชยังไงเช้าเนี่ยบวชจุ่มศพสี่โมงศึแล้วยายยังเผาไม่หมดหนึ่งศึกแลก็ดูจยงค้างมันตักมันเล่นละครแล้วเดี๋วนี้พี่เด็กข้างวันเนี่ยที่มีเ ม, มเินเยอะๆที่มีสลาก ส, ดสวดศพเยอะๆปีๆมันได้ตั้งเป็นหมื่นมันรับจ้างบวชจุ่มศพหัวไม่ทันยาวเลยเดี๋ยวคนละศพดีกว่ศพบวชเรื่อยเลย ถ้าจองเรว่านี่บวชรับจ้างทําดีเพื่ออะไรทําดีเพื่อรับจ้างกับทาดีเพื่อความดีเรามาทําอะไรเนี่ยอย่าไปคิดมากเรื่องเราทําเพื่อเราดีหลวงพ่อพุทธาใช้คํำหนักกว่านั้นนี่ที่ว่าทําดีได้มันยังไม่ต่งเตะมันต้องบอกทําดีดีไม่ต้องรอได้เพราะทำดีเนี่ยังไม่ทําทําคิดจะทําก็เริ่ม ลงมือทําก็ยิ่งทําเสร็จสันดานนิสัยก็แล้วไมปรอได้ทำไมอ่ <c oughs> ะแ้่ชั่วเลยโยมยังไม่ทํำทำก็เริ่มคิดจะเริ่มทําชั่วก็เริ่มพอลงมือทํายิ่งทําเสร็จสันดานยิ่งอ้แล้วไมปรอได้ทําไมมันชั่วทันทีได้ทดันทีดีทดันทีเนี่ยสันทประพุธอย่างนี้สนานนักอื่นเขาว่าไงก็แล้วแต่นะของเราทําดีได้ยังต้องทําดีเพื่อดี พอทาดีเพื่อดีเราไม่ต้องไปเพื่อให้ใครหรอกพอเราดีแล้วให้คนอื่นพ่อแม่เราก็พลอยดีใจเพราะลูกดีถ้าพระไปยอมบวดแล้วดียมแม่แตมาถ้ายังอยู่แกก็พลอยแล้วพอมีพระดีลูใชาดีแตมาไม่ต้องบวชให้แม่หรอกแต่บวชเพื่อตัวเองเป็นพระดีเป็นคนพ่อแม่ก็จะพลอยญาติพี่น้องก็พลอยในหน้ามีเพราะมีพระน้องชายที่ <c oughs> จ <c oughs> บอา้าขอวอวยพรให้ทุกท่านมาวันมาคะขอให้ได้สิ่งดีๆลักษณะที่ดีของพุทธศาสนาไปตั้งแต่เห็นว่าศาสนานี้มีเหตุมีผลปฏิบัติได้เห็นได้เห็นว่าศาสนานี้มีเสรีภาพจะได้มรด้ผลไม่ต้องไปรอคณะกรรมการไหนตัดสินให้ไม่ต้องลางกฎหมายเราหมายมันจะดี เราก็มีสิทธิด์ดีของเราเองและศาสนานี้เป็นศาสนาที่ทำดีเพดดื่อดีต้องอยทุกคนได้ดีจากสิ่งดีๆจากศาสนาไปฉลองใจรักดีไปทุกพบทุกชาติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน